ซึ่งจะมองหาความสวยงามใดๆหลงเหลืออยู่มิได้อีกเลยและในทันทีที่ได้ตายลงนั้นแม้แต่ผู้ที่เคยสนิทสนมเสน่หารักใคร่อันรวมถึงสามีภริยาและบุตรธิดาต่างก็พากันรังเกียจในทันใดไม่ยอมเข้าใกล้บ้านของตนเองที่อุตสาสร้างมาด้วยความเหนื่อยยากก็ไม่ยอมให้อยู่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 สังขารของเราในที่สุดก็เป็นเช่นนี้ไม่มีอะไรคงเหลือไว้เลย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 ซึ่งมักพิจารณาร่วมกับอสุภกรรมฐานมรณสติกรรมฐานซึ่งพระอริยะเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะบรรลุพระอรหัน ต, ตผลได้จะต้องผ่านการพิจารณากรรมฐานทั้งสามกองนี้เสมอมิฉะนั้นแล้วจะเป็นพระอรหันในพระพุทธศาสนามิได้ทั้งนี้เพราะบรรดาสักพกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความโลภโกรธและหลง